โตไทยโอวาสของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตการปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัตธรรมให้บริสุทธิ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าธรรมของพระตถาคตเมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้วย่อมเป็นของปลอมทั้งสิ้นแต่ถ้าเข้าไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วไสัย ย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงและเป็นของไม่ลบเลือนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติธรรมถ่ายเดียวจึงยังใช้การไม่ได้ดีต่อเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติ จ, จิตใจกำจัดเหล่ากระปรมก่าคืออุปกิเลสแล้วนั่นแหละจึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จเต็มที่และทำให้พระสัตธมบริสุทธิ์ไม่วิปราพลาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วยฝึกตนดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพควาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทโธผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็นพักขวาผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวนยัยสั์ ศรัทธาจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การทรมานในภายหลังจึงทรงพระคุณปรากฏว่ากัลยาโนกิติสัตโธอภพุคโตชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันดีงามของพระองค์ย่อมฟุ้งเฟือ่งไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้แม้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกัน ปรากฏว่าท่านฝึกฝนทรมานตนได้ดีแล้วจึงช่วยพระบรมศาสดาจำแนกธทำสั่งสอนประชุมชนในภายหลังท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทําการจำแนกแจกทาสั่งสอนไซก็จะเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าป า, า ป, ปโกสัตโดโหติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศ พระโทษที่ไม่ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในการก่อนทั้งหลายบูรมรดกอันเป็นต้นทุนการฝึกฝนตนเหตุใดหนอนักปราชญ์ทั้งหลายจะสวดก็ดีจะรับศีลก็ดีหรือจะทำการกุศลใดๆก็ดีจึงต้องตั้งนโมก่อนจะทิ้งนโมไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้นโมก็ต้องเป็นสิ่งสาคัญ จะยกขึ้นพิจารณาได้ความปรากฏว่าณคือาธาตุน้ําโมคือาธาตุดินพร้อมกับบทพระคถาขึ้นมาว่ามาตาเปติกะสัมภโวโอรณกุมมาสปัปปะโยสัมภวาธาตุของมารดาบิดาผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อคลอดจากคันมารดาแล้วก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุ ม, มารเป็นเครื่องเลี้ยงจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ณเป็นาธาตุของมารดาโมเป็นาธาตุของบิดาฉะนั้นเมื่อาธาตุทั้งสองนี้ผสมกันเข้าไปไฟาธาตุของมารดาเขี่ยวเข้าจนได้นามว่ากลละละคือน้ามันโดดเดียวณนะที่นี้เองปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้จิตจึงได้ปฏิสนธิในาธาตุนะโมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้วกลละละก็ค่อยจเจริญขึ้น เป็นอัมพุชะคือเป็นก้อนเลือดเจริญจากก้อนเลือดมาเป็นคณะคือเป็นแท่งและเปสิคือชิ้นเนื้อแล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิ้งเหลนจึงเป็นปัญจาสาขาคือแขนสองขาสองหัวหนึ่งส่วนาธาตุพะคือลมและาธาตุทะคือไฟนั้นเป็นาธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถือเมื่อละจากกลละนั้นแล้วกลละ ก็ต้องทิ้งเปล่าหรือศูนย์เปล่าลมและไฟก็ไม่มีคนตายลมและไฟก็ดับหายสาบศูนย์ไปจึงว่าเป็นธาตุอาศัยข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือณโมเป็นดั้งเดิมในการต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยณมารดาโมบิดาเป็นผู้ทนุถนอมกล่อมเกลี่ยเลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุ ม, มาเป็นต้น ตลอดจนการแนะนําสั่งสอนความดีทุกอย่างท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่าบุพพาจารย์เป็นผู้สอนก่อนใครๆทั้งสิ้นมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับจะประมาณวิได้มรดกที่ท่านทําให้กล่าวคือรูปกายนี้แหลเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เองถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้ว ก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของเราทั้งตัวนี้เป็นมูลมรดกของมารดาบิดาทั้งสิ้นจึงว่าคุณของท่านจะนับจะประมาณไม่ได้เลยปรารทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่เราต้องเอาตัวเราคือนะโมตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทํากริยาน้อมไหว้ลงภายหลังนะโมท่านแปลว่านอบน้อม นั้นเป็นการแปลเพียงกิริยาหาได้แปลต้นกิริยาไม่มูลมรดกนี่แลเป็นต้นทุนทําการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สําหรับทําทุนปฏิบัติมูลฐานสําหรับทําการปฏิบัตินะโมเมื่อกล่าวเพียงสองท่าเท่านั้นยังไม่สมประกอบหรือยังไม่เต็มส่วนต้องพลิกสรักพยัญชนะเป็นมะโนแปลว่าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจเต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้มะโนคือใจนี้เป็นดั้งเดิมเป็นมหาฐานใหญ่จะทําจะพูดอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมดในพระพุทธพจน์ว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสธท่ามโนมยาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจพระพรรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวิไนก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจคือมหาฐานนี้ทั้งสิน้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตามจนถึงรู้จักมโนแจ่มแจ้งแล้วมโนก็สุดบัญญัติคือพ้นจากบัญญัติทั้งสิน้นสมบัติทั้งหลายในโลกนี้ต้องออกไปจากมโนทั้งสิน้นของใครก็ก้อนของใคร ต่างคนต่างถือเอาก้อนอันนี้ถือเอาเป็นสมบัติบัญญัติตามกระแสะแห่งน้ําโอคะคือกิเลสจนเป็นอวิชชาตัวก่อภพก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่าด้วยการหลงหลงถือว่าตัวเป็นเราเป็นของเราไปหมดมูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุพระอภิธรรมหกคำภีเว้นมหาปัจฐานมีนัยะประมาณเท่านั้นเท่านี้ ส่วนคำภีมหาปัฏฐานมีนัยยะหาประมาณไม่ได้เป็นอนันตนยัยเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้รอบได้เมื่อพิจารณาพระบาลีที่ว่าเหตุปัจจโยนั้นได้ความว่าเหตุซึ่งเป็นปัจจัยดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุนั้นได้แก่มโนนั่นเองมโนเป็นตัวมหาเหตุเป็นตัวเดิมเป็นสิ่งสาคัญนอกนั้น เป็นแต่อาการเท่านั้นอารมณะจนถึงอวิชตะจะเป็นปัจจัยได้ก็เพราะมหาเหตุคือใจเป็นเดิมโดยแท้ฉะนั้นมโนซึ่งกล่าวผ่านมาแล้วก็ดีถิติภูตังซึ่งจะกล่าวต่อไปก็ดีและมหาเหตุซึ่งกล่าวในข้อนี้ก็ดีย่อมมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ดี รู้อะไรอะไรได้ด้วยทศพลยานก็ดีรอบรู้สัพพายะธรรมทั้งปวงก็ดีก็เพราะมีมหาเหตุเป็นนั่งเดิมทีเดียวจึงทรงรอบรู้ได้เป็นอนันตไงแม้สาวกทั้งหลายก็มีมหาเหตุนี้แหละเป็นเดิมจึงสามารถรู้ตามคำสอนของพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้แลพระอัสสชิเถระผู้เป็นที่ห้าของพระปัญจวัคคีจึงแสดงธรรมแก่อุปติสสะพระสารีบุตรว่า เจ oh ah ทมาเหตุปะภวาเตสั่งเหตุตรงท่ากระโตเตสั่นจะโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมมโนความว่าทมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพราะว่ามหาเหตุนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวเดิมเมื่อท่านพระอัสสชิเถระกล่าวถึงที่นี้คือมหาเหตุท่านพระสารีบุตรจะไม่อย่างจิตลงถึงกระแสธรรมอย่างไรเล่าเพราะอะไรทุกสิ่งในโลก ก็ต้องเป็นไปแต่มหาเหตุถึงโลกุตระธรรมก็คือมหาเหตุฉะนั้นมหาปัจฐานท่านจึงว่าเป็นอนันตไนยผู้มาปฏิบัติใจคือตัวมหาเหตุจนแจ่มกระจ่างสว่างโลแล้วย่อมสามารถรู้อะไรอะไรทั้งภายในและภายนอกทุกสิ่งทุกประการสุดจะนับประมาณได้ด้วยประการชะนี้มูลการของสังสารวัรที่ติภูตัง อวิชชาปัจญาสร้างฆาราอุปาดานังพระโอชาติคนเราทุกรูปทุกนามที่ได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีที่เกิดทั้งสิ้นกล่าวคือมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดก็แลเหตุใดท่านจึงบัญญัติปัจาการแต่เพียงอวิชชาปัตญาเท่านั้นอวิชชาเกิดมาจากอะไรท่านหาได้บัญญัติไว้ไหมพวกเราก็ยังมีบิดามารดา อวิชชาก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนกันได้ความตามบาดพระคถาเบื้องต้นว่าถีติภูตังนั่นเองเป็นพ่อแม่ของอวิชชาถีติภูตังได้แก่จิต ด, ดั้งเดิมเมื่อถีติภูตังประกอบไปด้วยความหลงจึงมีเครื่องต่อกล่าวคืออาการของอวิชชาขึ้นเมื่อมีอวิชชาแล้วจึงเป็นปัใจจัยให้ปรุงแต่งเป็นสังขารพร้อมกับความเข้าไปยึดถือ จึงเป็นภพชาติคือต้องเกิดก่อต่อกันไปท่านจึงเรียกปัจจยาการเพราะเป็นอาการสืบต่อกันวิ ช, ชาและอวิ ช, ชาก็ต้องมาจากถีติภูตังเช่นเดียวกันเพราะเมื่อถีติภูตังกอบด้วยอวิ ช, ชาจึงไม่รู้เท่าอาการทั้งหลายแต่เมื่อถีติภูตังกอบด้วยวิ ช, ชาจึงรู้เท่าอาการทั้งหลายตามความเป็นจริง นี่พิจารณาด้วยวุฒนาคามินีวิปัสสนารวมใจความว่าถีติภูตังเป็นตัวการดั้งเดิมของสังสารวัตรการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อจะตัดสังสารวัตรให้ศูนย์จึงต้องอบรม บ, บ่มตัวการดั้งเดิมให้มีวิชารู้เท่าทันอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงก็จะหายหลงแล้วไม่ก่อการทั้งหลายใดๆอีกถีติภูตัง อันเป็นมูลการก็หยุดหมุนหมดการเวียนไหวาตายเกิดในสังสารวัตรด้วยประการชะนี้อักขระฐานเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพานอักกังท่านังมนุษย์เสสุมร ก, กังสุตตะวิสุทธิยาฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ฐานะอันดีเลิศนั้นเป็นทางดำเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์โดยอธิบายว่าเราได้รับพรดกมาแล้ว จากนาโมคือบิดามารดากล่าวคือตัวของเรานี้แหลอันได้กําเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติสูงสุดเป็นผู้เลิศตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีคือมีกายยะสมบัติวจีสมบัติและมโนสมบัติบริบูรณ์จะสร้างสมเอาสมบัติภายนอกคือทรัพย์สินเงินทองอย่างไรก็ได้จะสร้างสมเอาสมบัติภายในคือมรรคผลนิพพานธรรมวิเศษก็ได้ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติแก่มนุษย์เรานี้เองไม่ได้ทรงบัญญัติแก่ช้างมาโคกระบื้องที่ไหนเลยมนุษย์นี้เองจะเป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นจึงไม่ควรน้อยเนื้อต่างใจว่าตนมีบุญวาสนาน้อยเพราะมนุษย์ทำได้เมื่อไม่มีทาให้มีได้เมื่อมีแล้วทาให้ยิ่งได้ สมด้วยเทศนานยะอันมาในเวสันดรชาดกว่าทานังเทติสี่ลังรั ก, กติภาวนังภาเวตวะเอกัโจสกังกัจฉิเอกโจโมขังคัจติตนิสัางสยังเมื่อได้ทำกองการกุศลคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามคำสอนของพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแล้วบางพวกทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์ บางพวกแลกขยันทำจริงพร้อมทั้งวาสนาบา ร, รมีแต่หนหลังประกอบกันก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเลยพวกสัตว์เดรัจฉานท่านไม่ได้กล่าวว่าเลิศเพราะจะมาทำเหมือนพวกมนุษย์ไม่ได้จึงสมกับคำว่ามนุษย์นี้ตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีสามารถนำตนเข้าสู่มรรคผลเข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ได้แล ชัยภูมิอันเป็นสนามฝึกคนพระบรมศา ส, สดาจารย์เจ้าทรงตั้งชัยภูมิไว้ในรำข้อไหนเมื่อพิจารณาปัญหานี้ได้ความขึ้นว่าพระองค์ทรงตั้งมหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิอุปมาทางโลกการรบทัพชิงชัยมุ่งหมายชัยชนะจำต้องหาชัยภูมิถ้าได้ชัยภูมิที่ดีแล้วย่อมสามารถป้องกันอาวุธของข้าศึกได้ดี ณที่นั้นสามารถรวบรวมกําลังใหญ่เข้าฆ่าฟันฆ่าศึกให้ปราชัยพ่ายแพ้ไปได้ที่เช่นนั้นท่านจึงเรียกว่าชัยภูมิคือที่ที่ประกอบไปด้วยค่ายคูประตูและหอรบอันมั่นคงฉันใดอุปมาในทางธรรมก็ฉันนั้นที่เอามหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิก็โดยผู้ที่จะเข้าสู่สงครามรบฆ่าศึกคือกิเลสต้องพิจารณา กายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นก่อนเพราะคนเราที่จะเกิดการมราคะเป็นต้นขึ้นก็เกิดขึ้นที่กายและใจเพราะตาแลไปเห็นกายทำให้จิตใจกำเริบเหตุนั้นจึงได้ความว่ากายเป็นเครื่องก่อเหตุจึงต้องพิจารณาที่กายนี้ก่อนจะได้เป็นเครื่องดับนิวร์ทำใจให้สงบได้ณนะที่นี้พึงทำให้มาก จเจริญให้มากคือพิจารณาไม่ต้องถอยเลยทีเดียวในเมื่อ อ, อุ ก, กหัขนิมิตปรากฏจะปรากฏกายส่วนไหนก็ตามให้พึงถือเอากายส่วนที่ได้เห็นนั้นพิจารณาให้เป็นหลักไว้ไม่ต้องย้ายไปพิจารณาที่อื่นจะคิดว่าที่นี่เราเห็นแล้วที่อื่นยังไม่เห็นก็ต้องไปพิจารณาที่อื่นสิเช่นนี้หาควรไหม ถึงแม้จะพิจารณาจนแยกกายออกมาเป็นส่วนๆทุกๆอาการอันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้อย่างละเอียดที่เรียกว่าปฏิภาคก็ตามก็ต้องพิจารณากายที่เราเห็นทีแรกด้วยอุกขะนิมิตนั้นจนชำนาญที่จะชำนาญได้ก็ต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกณนะที่เดียวนั้นเองเหมือนสวดมนฉะนั้นอันการสวดมนเมื่อเราท่องสูตรนี้ได้แล้ว ทิ้งเสียไม่เล่าไม่สวดไว้อีกก็จะลืมเสียไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่ทำให้ชานานด้วยความประมาทชั้นใดการพิจารณากายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อได้อุกหะนิมิตในที่ใดแล้วไม่พิจารณาในที่นั้นให้มากปล่อยทิ้งเสียด้วยความประมาทก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอย่างเดียวกันการพิจารณากายนี้มีที่อ้างมาก ดังในการบวชทุกวันนี้เบื้องต้นต้องบอกกรรมฐานห้าก็คือกายนี้เองก่อนอื่นหมดเพราะเป็นของสำคัญท่านกล่าวไว้ในคำภีพระธรรมบทขุทกะนิกายว่าอาจารย์ผู้ไม่ฉลาดไม่บอกซึ่งการพิจารณาอาจทำลายอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของกุลบุตรได้เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้จึงต้องบอกกรรมฐานห้าก่อน อีกแห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระขีนาสวะเจ้าทั้งหลายชื่อว่าจะไม่กำหนดกายส่วนใดส่วนหนึ่งไม่มีเลยจึงตรัสแก่ภิกษุห้าร้อยรูปผู้กล่าวถึงแผ่นดินว่าบ้านโน้นมีดินดำดินแดงเป็นต้นนั้นว่านั้นชื่อว่าพระหิตทาแผ่นดินภายนอกให้พวกท่านทั้งหลายมาพิจารณาอัตติกาแผ่นดินภายใน กล่าวคืออัตภาพร่างกายนี้ให้พิจารณาไตรตรองให้แยกไข่กระทำให้แจ้งแทงให้ตลอดเมื่อจบ ก, การวิสัชนาปัญหานี้ภิกษุทั้งห้าร้อยรูปก็บรุพระอรหันตผลเหตุนั้นการพิจารณากายนี้จึงต้องเป็นของสำคัญผู้ที่จะพ้นทุกทั้งหมดล้วนแต่ต้องพิจารณากายนี้ทั้งสิ้นจะรวบรวมกำลังใหญ่ได้ ต้องรวบรวมด้วยการพิจารณากายแม้พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ทีแรกก็ทรงพิจารณาลมลมจะไม่ใช่กายอย่างไรเพราะฉะนั้นมหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสนาเป็นต้นจึงชื่อว่าชัยภูมิเมื่อเราได้ชัยภูมิดีแล้วกล่าวคือปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานจนชานาญแล้วก็จงพิจารณาความเป็นจริง ตามสภาพแห่งาธาตุทั้งหลายด้วยอุบายวิปัสนาซึ่งจะกล่าวข้างหน้าอุบายแห่งวิปัสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส ธ, ธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีมีอุปมาดังดอกปธุมธรรมชาติอันสวยๆงามๆก็เกิดขึ้นมาจากโครนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลหน้ากลิยแต่ว่าดอกบัวนั้น เมื่อขึ้นพ้นโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพ ร, าา ร, ระราชาอมบาดอุปราชและเสนาบดีเป็นต้นและดอกบัวนั้นไม่ได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นเลยข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวาจรเจ้าผู้ประพฤติภาคเพียรประโยคพยายามย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียดจิตจึงพ้นจากสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้ สิ่งสกรปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เองร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครกคืออุจจาระปัสสาวะทั้งปวงสิ่งที่ออกจากผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เรียกว่าขี้ทั้งหมดเช่นขี้หัวขี้เล็บขี้ฟันเป็นต้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ร่วงหลน่นลงสู่อาหารมีแกงกับเป็นต้นก็รังเกียจ ต, ต้องเททิ้ง กินไม่ได้และร่างกายนี้ต้องชำระขัดสีอยู่เสมอจึงพอเป็นของดูได้ถ้าหาไม่ก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ของทั้งปวงมีผ้าแพรเครื่องใช้ต่างๆเมื่ออยู่นอกกายของเราก็เป็นของสะอาดน่าดูแต่เมื่อมาถึงกายนี้แล้วก็กลายเป็นของสกปรกไปเมื่อปล่อยไว้นานๆเข้าไม่ซักฟอก ก็จะเข้าใกล้ใครไม่ได้เลยเพราะเหม็นสาบดังนี้จึงได้ความว่าร่างกายของเรานี้เป็นเรือนมูดเรือนคูดเป็นอสุภะของไม่งามปฏิกูลน่าเกลียดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นถึงป่านนี้เมื่อชีวิตหาไม่แล้วยิ่งจะสกปรกหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจึงมาพิจารณาร่างกายอันนี้ ให้ชำนิชำนาญด้วยโยนิโสมนัสิการคือการพิจารณาโดยแยบไขยตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือขณะเมื่อยังเห็นไม่ทันชัดเจนก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งกายอันเป็นที่สบายแห่งจริตจนกระทั่งปรากฏเป็นอุกคหะนิมิตคือปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็กำหนดส่วนนั้นให้มากเจริญให้มากทาให้มาก การเจริญทำให้มากนั้นพึงทราบอย่างนี้ชาวนาเขาทานาเขาก็ทำที่แผ่นดินไถที่แผ่นดินดำลงไปในขี้ดินปีต่อไปเขาก็ทำที่ขี้ดินนั้นเองเขาไม่ได้ทำในอากาศกลางหาวคงทำแต่ที่ดินแห่งเดียวข้าวเขาก็ได้เต็มยุง้งเต็มชางเองเมื่อทำให้มากในที่ดินนั้นแล้วไม่ต้องร้องเรียกว่า ข้าวเอ๋ยข้าวจงมาเต็มยุง้งข้าวก็จะหลั่งไหลามาเองและจะห้ามว่าข้าวเอ๋ยข้าวจงอย่ามาเต็มยุ้งเต็มฉ้างถ้าทํานาในที่ดินนั้นเองจนสําเร็จแล้วข้าวก็มาเต็มยุ้งเต็มฉางเองโดยไม่ต้องสงสัยเลยฉันใดก็ดีพระโยคาวจรเจ้าก็ฉันนั้นคงพิจารณากายในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสัย หรือที่ปรากฏมาให้เห็นครั้งแรกอย่าละทิ้งเลยเป็นอันขาดการทำให้มากนั้นไม่ใช่หมายแต่การเดินจงกรมเท่านั้นให้มีสติหรือพิจารณาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็ให้มีสติรอบคอบในการอยู่เสมอจึงจะชื่อว่าทำให้มาก เมื่อพิจารณาในร่างกายนั้นจนชัดเจนแล้วให้พิจารณาแบ่งส่วนแยกส่วนออกเป็นส่วนๆตามโยนิโสมนสิการของตนกระจายออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและพิจารณาให้เห็นไปตามนั้นจริงๆอุบายตอนนี้ตามแต่ตนจะใคร่ครวนออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตนแต่อย่าละทิ้งหลักเดิม ที่ตนได้รู้ครั้งแรกนั่นเทียวพระโยคาวจรเจ้าเมื่อพิจารณาในที่นี้พึงเจริญให้มากทำให้มากอย่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งตั้งครึ่งเดือนตั้งเดือนให้พิจารณาก้าวเข้าไปถอยออกมาเป็นอนุโลมปฏิโลมคือเข้าไปสงบในจิตแล้วถอยออกมาพิจารณากายอย่าพิจารณากายอย่างเดียว หรือสงบที่จิตแต่อย่างเดียวพระโยคาวาจรเจ้าพิจารณาอย่างนี้ชำนานแล้วหรือชำนานอย่างยิ่งแล้วคราวนี้แลเป็นส่วนที่จะเป็นเองคือจิตย่อมจะรวมใหญ่เมื่อรวมพับลงย่อมปรากฏว่าทุกสิ่งรวมลงเป็นอันเดียวกันคือหมดทั้งโลกย่อมเป็นาธาตุทั้งสิ้นนิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่าโลกนี้ราบเหมือนหน้ากลอง เพราะมีสภาพเป็นอันเดียวกันไม่ว่าป่าไม้ภูเขามนุษย์สัตว์แม้ที่สุดตัวของเราก็ต้องล้มราบเป็นที่สุดอย่างเดียวกันพร้อมกับยานะสัมปยุตคือรู้ขึ้นมาพร้อมกันในที่นี้ตัดความสนเทในใจได้เลยจึงชื่อว่ายะขาภูตะยานะทัศนะวิปัสนาคือทั้งเห็นทั้งรู้ตามความเป็นจริง ขั้นนี้เป็นเบื้องต้นในอันที่จะดําเนินต่อไปไม่ใช่ที่สุดอันพระโยคาวจรเจ้าจะพึงเจริญให้มากทําให้มากจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งอีกจนรอบจนชํานาญเห็นแจ้งชัดว่าสังขารความปรุงแต่งอันเป็นความสมมุติว่าโน่นเป็นของของเราโน่นเป็นเราเป็นความไม่เที่ยงอาศัยอุ ป, ปาทานความยึดถือจึงเป็นทุก์ ก็แลทธาตุทั้งหลายเขาหากมีหากเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่อย่างนี้มีมาก่อนเราเกิดตั้งแต่ดึกดำบันก็เป็นอยู่อย่างนี้อาศัยอาการของจิตของขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาตินับเป็นอเนกชาต เหลือประมาณมาจนถึงปัจจุบันนชาติจึงทําให้จิตหลงอยู่ตามสมมุติไม่ใช่สมมุติมาติดเอาเราเพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นของมีวิญญาณหรือไม่ก็ตามเมื่อว่าตามความจริงแล้วเขาหากมีหากเป็นเกิดขึ้นเสื่อมไปมีอยู่อย่างนั้นทีเดียวโดยไม่ต้องสงสัยเลยจึงรู้ขึ้นว่า ปุเพสุอนนุตสุเตสุธรรมเมสุธรรมดาเหล่านี้หากมีมาแต่ก่อนถึงว่าจะไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครก็มีอย่างนั้นทีเดียวฉะนั้นความข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเราไม่ได้ฟังมาแต่ใครไม่ได้เรียนมาแต่ใครเลยเพราะของเหล่านี้มีอยู่มีมาแต่ก่อนพระองค์ดังนี้ได้ความว่า ธรรมด า, าธาตุทั้งหลายย่อมเป็นย่อมมีอยู่อย่างนั้นอาศัยอาการของจิตเข้าไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาหลายพบหลายชาติจึงเป็นเหตุให้เป็นไปตามสมมตินั้นเป็นเหตุให้อนุสัยครอบงำจิตจนหลงเชื่อไปตามจึงเป็นเหตุให้ก่อพบก่อชาติด้วยอาการของจิตเข้าไปยึดฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้า จึงมาพิจารณาโดยแยบคายลงไปตามสภาพว่าสัพเพสังฆาราอนิจจาสัพเพสังคาราทุกขาสังขารความเข้าไปปรุงแต่งคืออาการของจิตนั่นและไม่เที่ยงสัตว์โลกเขาหากมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นให้พิจารณาโดยอริยสัจจะทำทั้งสี่เป็นเครื่องแก้อาการของจิตให้เห็นแน่แท้ลงไปว่า ตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะเหตุที่ไม่เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงหลงตามสังขารเมื่อเห็นจริงลงไปแล้วก็เป็นเครื่องแก้อาการของจิตจึงปรากฏขึ้นว่าสร้งางฆราสัตตานัตถิสังขารทั้งหลายที่เที่ยงแท้ไม่มีสังขารเป็นอาการของจิตต่างหากเปรียบเหมือนพยับแดดส่วนสัตว์เขา ก็อยู่ประจำโลกแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อรู้โดยเงื่อนสองประการคือรู้ว่าสัตว์ก็มีอยู่อย่างนั้นสังขารก็เป็นอาการของจิตเข้าไปสมมุติเขาเท่านั้นถีติภูตังจิตตั้งอยู่เดิมไม่มีอาการเป็นผู้หลุดพ้นได้ความว่าธรรมดาหรือธรำทั้งหลายไม่ใช่ตนจะใช่ตนอย่างไรของเขาหากเกิดมีอย่างนั้น ท่านจึงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทมทั้งหลายไม่ใช่ตนให้พระโยคาวจรเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งประจั์ตามนี้จนทำให้รวมพึบลงไปให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้นโดยปัจจักขสิทธิพร้อมกับยานะสัมปยุตปรากฏขึ้นมาพร้อมกันจึงชื่อว่าวุ ธ, ธานาคามินีวิปัสนาทาในที่นี้จนํานาน เห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมใหญ่และยานาสัมปยุตรวมทวนกระแสแก้อนุสัยสมมติเป็นวีมุติหรือรวมลงถีติจิตอันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยญานาสัมปยุตว่าที่นาจาติจานังโคติดังนี้ที่นี้ไม่ใช่สมมติไม่ใช่ของแต่งเอาเดาเอาไม่ใช่ของอันบุคคล พึงปรารถนาเอาได้เป็นของที่เกิดเองเป็นเองรู้เองโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะด้วยการปฏิบัติอันเข้มแข็งไม่ท้อถอยพิจารณาโดยแยบคายด้วยตนเองจึงจะเป็นขึ้นมาเองท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่างๆมีต้นข้าวเป็นต้นเมื่อบำรุงรักษาต้นมันให้ดีแล้วผลคือรวงข้าว ไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลยเป็นขึ้นมาเองถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าวแต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่เป็นผู้เกียดคร้านจะปรารถนาจนวันตายรวงข้าวก็จะไม่มีขึ้นมาให้เลยฉันใดวิมุตติธรรมก็ฉันนั้นนั่นแหละมิใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรม แต่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติมัวเกียดคร้านจนตัวตายจะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลยด้วยประการชนี้จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่างแต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลสปพัศระมิดังพิกเวจิตตังตันกะโคอาคันตุเกหิอุปกิเลเซหิตอุปกิลิทัทงภิกษุทั้งหลายจิตนี้ เลื่อมประพัดสอนแจ้งสว่างมาเดิมแต่อาสัยอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นอากัรตุกกะสัญจรมาปกคลุมพุ่มหอ่อจึงทำให้จิตไม่ส่องแสงสว่างได้กิเลสทั้งหลายไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งสัญจรเข้ามาในทวารทั้งหกนับร้อยนับพันใช่แต่เท่านั้นกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะมีทวียิ่งยิ่งขึ้นทุกๆวัน ในเมื่อไม่แสวงหาทางแก้ธรรมชาติของจิตเป็นของผ่องใสยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่อาศัยของปลอมกล่าวคืออุปกิเลส ท, ที่สัญจรเข้ามาปกคลุมจึงทําให้หมดรัศมีดุจพระอาทิตย์เมื่อเมฆบดบังฉะนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าพระอาทิตย์เข้าไปหาเมฆเมฆไหลามาบดบังพระอาทิตย์ต่างหากฉะนั้นผู้บําเพ็ญเพียรทั้งหลาย เมื่อรู้โดยปริยายนี้แล้วพึงกำจัดของปลอมด้วยการพิจารณาโดยแยบกายตามที่อธิบายแล้วในอุบายแห่งวิปัสสนานั้นเถิดการทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียรต้องให้พอเหมาะกับออปาณิสัยนายสารธีผู้ฝึกมา้ามีชื่อเสียงคนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงวิธีทรมานเวนยะ พระองค์ทรงย้อนถามนายสารถีก่อนถึงการทรมานมา้าเขาทูลว่าม้ามีสี่ชนิดคือ 1. นทรมานง่าย 2. อทรมานอย่างกลาง 3. ทรมานยากแท้ 4. ีทรมานไม่ได้เลยต้องฆ่าเสียพระองค์จึงตรัสว่าเราก็เหมือนกัน 1. ผู้ทรมานง่ายคือผู้ปฏิบัติทำจิตรวมง่าย ก็ให้กินอาหารเพียงพอเพื่อบำรุงร่างกาย 2. ผู้ทรมานอย่างกลางคือผู้ปฏิบัติทาจิตไม่ค่อยจะลงก็ให้กินอาหารแต่น้อยอย่าให้มาก 3. ทรมานยากแท้คือผู้ปฏิบัติทำจิตลงยากแท้ไม่ต้องให้กินอาหารเลยแต่ต้องเป็นอัดตันอยู่รู้กำลังของตนว่าจะทนทานได้เพียงไรแค่ไหน สทรมานไม่ได้เลยต้องฆ่าเสียคือผู้ปฏิบัติทำกิจไม่ได้เป็นปะทะประมะพระองค์ทรงชักสะพานเสียกล่าวคือไม่ทรงสั่งสอนอุปมาเหมือนฆ่าทิ้งเสียฉะนั้นความสำคัญของปฐมเทศนามปชิมเทศนาและปัจชิมเทศนาพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสามการ มีความสำคัญยิ่งอันพุทธบริษัทควรสนใจพิจารณาเป็นพิเศษคือปฐมมโพธิการได้ทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปตนมฤคายวันเมืองพรารณสีเป็นครั้งแรกเป็นปฐมมเทศนาเรียกว่าธรรมจักเบื้องต้นทรงยกส่วนสุดสองอย่างอันบรรปะชิตไม่ควรเสพขึ้นแสดงว่า ดเวเมพิกเวอันตาปอบปาชิเตนะนะเซวิตับบาภิกษุทั้งหลายส่วนที่สุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่พึงเสษคือกามาสุขันลิกานุโยกและอัตตะกิรมาฐานุโยกอธิบายว่ากามาสุขันลิกาเป็นส่วนแห่งความรักอัตตกิลามาฐาเป็นส่วนแห่งความชังทั้งสองส่วนนี้เป็นตัวสมุ ท, ทยัย เมื่อผู้บำเพ็ญตะบะธรรมทั้งหลายโดยอยู่ซึ่งส่วนทั้งสองนี้ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลางเพราะเมื่อบำเพ็ญเพียรพยายามทาสมาธิจิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจครั้นเมื่อจิตนึกคิดให้ฟุ้งซ่านราคาญก็เสียใจความดีใจนั้นแหลคือกามาสู่ันลิกาความเสียใจนั้นแหลคืออตตะกิลมัทาความดีใจก็เป็นราคะ ความเสียใจก็เป็นโทสะความไม่รู้เท่าในราคะโทสะทั้งสองนี้เป็นโมหะฉะนั้นผู้ที่พยายามประกอบความเพียรในเบื้องแรกก็ต้องกระทบส่วนสุดทั้งสองนั้นแลก่อนถ้าเมื่อกระทบส่วนสองนั้นอยู่ชื่อว่าผิดอยู่แต่เป็นธรรมดาแท้ทีเดียวต้องผิดเสียก่อนจึงถูกแม้พระบรมศาสดาแต่ก่อนนั้นพระองค์ก็ผิดมาเต็มที่เหมือนกัน แม้พะระอัครสาวกทั้งสองก็ซ้ำเป็นมิจฉาทิฐิมาก่อนแล้วทั้งสิ้นแม้สาวกทั้งหลายเหล่าอื่นๆก็ล้วนแต่ผิดมาแล้วทั้งนั้นต่อเมื่อพระองค์มาดำเนินทางกลางทาจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ได้ยานสองในสองยามเบื้องต้นในราตรีได้ยานที่สามกล่าวคืออาสวะขยะยานในยามใกล้รุ่งจึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริงทาจิตของพระองค์ ให้พ้นจากความผิดกล่าวคือส่วนทั้งสองนั้นพ้นจากสมมุติโคตสมมุติชาตสมมุติวาดสมมุติวง์และสมมุติประเพณีถึงความเป็นอริยโคตอริยชาติอริยวาดอริ ย, ว, รยวงค์และอริยประเพณีส่วนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเล่าก็มารู้ตามพระองค์ทาให้ถูกอาสวยายาัคยญาณพ้นจากความผิดตามพระองค์ไป ส่วนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในระยะแรกๆก็ต้องผิดเป็นธรรมดาแต่เมื่อผิดก็ต้องรู้เท่าแล้วทำให้ถูกเมื่อยังมีดีใจเสียใจในการบำเพ็ญอยู่ก็ตกอยู่ในโล ก, กธรรมเมื่อตกอยู่ในโล ก, กธระมจึงเป็นผู้วันไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละชื่อว่าความวันไหวไปมาอุ ป, ปนโนโคโมโล ก, กธรรมจะเกิดที่ไหนเกิดที่เราโล ก, กะระท ม, มีแป มักเครื่องแก้ก็มีแปดมักแปดเป็นเครื่องแก้โลกกระทำแปดฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงมัชชิมาปฏิปทาแก้ส่วนสองเมื่อแก้ส่วนสองได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรต์ตัดกระแสะโลกทำใจให้เป็นจาโคปฏินิสโคมุติอานาลโยสละสนัดตัดขาดวางใจหายห่วงรวมความว่า เมื่อส่วนสองยังมีอยู่ในใจผู้ใดแล้วผู้นั้นก็ยังไม่ถูกทางเมื่อผู้มีใจพ้นจากส่วนทั้งสองแล้วก็ไม่หวั่นไหวหมดทุลีกเกษมจากโอคะจึงว่าเนื้อความแห่งธรรมจักรสำคัญมากพระองค์แสดงธรรมจักนี้ยังโลกธาตุให้หวั่นไหว้จะไม่หวั่นไหวอย่างไรเพราะมีใจความสำคัญอย่างนี้โลกธาตุก็ไม่ใช่อะไรอื่น คือตัวเรานี้เองตัวเราก็คือธาตุของโลกวันไหวเพราะเห็นในของที่ไม่เคยเห็นเพราะกิจพ้นจากส่วนสองธาตุของโลกจึงวันไหววันไหวเพราะจะไม่มาก่อธาตุของโลกอีกเลยมัติมะโพธิการทรงสแสดงโอวาทปาติโมกในชุมนุมพระอระหันต์หนึ่รูปยห้าระราชาอุทยานเวลุวันกัลันทกนิวาปสสถาน กรุงราชะครึใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าอธิจิตเตจะอายโยโกเอตังพุทธานศาสนังพึงเป็นผู้ทำจิตให้ยิ่งโดยความนี้อธิบายได้ว่าการที่จะทำจิตให้ยิ่งได้ต้องเป็นผู้สงบประงับอิจชาโลภะสมาปัโ น, โนสมโนกินภวิสติเมื่อประกอบด้วยความอยากดิ้ น, นรนโลภหลงอยู่แล้วจกเป็นผู้สงบประงับได้อย่างไร ต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติพระวินัยเป็นเบื้องต้นและเจริญกรรมฐานตั้งต้นการจงกรมนั่งสมาธิทําให้มากเจริญให้มากในการพิจารณามหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเบื้องแรกพึงพิจารณาส่วนแห่งร่างกายโดยอาการแห่งบริกรรมมสวะณะคือพิจารณาโดยอาการคาดคะเนว่า ส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียก่อนเพราะเมื่อพิจารณาเช่นนี้ใจไม่ห่างจากกายทําให้รวมง่ายเมื่อทําให้มากในบริกรร ม, มาสาวรสนาแล้วจะเกิดขึ้นซึ่งอุกระหันิมิตให้ชํานาญในที่นั้นจนเป็นปฏิภาคชํานาญในปฏิภาคโดยยิ่งแล้วจะเป็นวิปัสนาเจริญวิปัสนาจนเป็นวิปัสนาอย่างอุกฤษ ทำจิตเข้าถึงถีติภูตังดังกล่าวแล้วในอุบายแห่งวิปัสนาชื่อว่าปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจึงจะข้ามพ้นเพราะอาศัยข้อปฏิบัติอันตนทมเต็มที่แล้วจึงข้ามพ้นคือพ้นจากโลกชื่อว่าโลกุตรธรรมเข่มังจึงกเกษมจากโยคะฉะนั้นเนื้อความในมัธิมะเทศนาจึงสาคัญเพราะเล็งถึงวิมุตติธรรม ด้วยประการช น, นี้แหละปัจชิมมโพธิการทรงแสดงปัจชิมมเทศนาในที่ชุมนุมพระอริยาสาวกณพระราชอุทยานสารวันของมัลลกษัตริย์กรุงกุสินาราในเวลาจวนจะปรินิพานว่าฮันนด า, ดานิอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวรยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสร้างขาราอปปมาเดนะ สัมปาเดทะเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทพิจารณาสังขารที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาเช่นนั้นจักเป็นผู้แทงตลอดพระองค์ตรัสพระธรร ม, มเทศนาเพียงเท่านี้ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่ได้ตรัสอะไรต่ออะไรอีกเลยจึงเรียกว่าปัดชิมมเทศนาอธิบายความต่อไปว่า สังขารมันเกิดขึ้นที่ไหนมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นสังขารสังขารมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเราเองเป็นอาการของจิตผาให้เกิดขึ้นซึ่งสมมติทั้งหลายสังขาร น, น้แลเป็นตัวการสมมุติบัญญัติทั้งหลายในโลกความจริงของในโลกทั้งหลายหรือธรรมธาตุทั้งหลายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นแผ่นดินต้นไม้ภูเขาฟ้าแดดเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเลย ตลอดจนตัวตนมนุษย์ก็เป็นธาตุของโลกเขาไม่ได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เลยเจ้าสังขารตัวการนี้เข้าไปปรุงแต่งว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่จนหลงกันว่าเป็นจริงถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราเสียสิ้นจึงมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นทำจิตตัวเดิมให้หลงไปตามเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนเนกพบอนเนกชาติ เพราะเจ้าตัวสังขาร น, นั่นแหละเป็นต้นเหตุจึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่าสับเบย์สรางราณิจาสับเบย์สราราลุกขาให้เป็นปริชายานชัดเจนเกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาคในส่วนเบื้องต้นจนทำจิตให้เข้าพวังเมื่อกระแสแห่งผวังหายไปวิญญาณเกิดขึ้นว่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นในจิตจริง จนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์ก็รู้เท่าสังขารได้สังขารก็จะมาปรุงแต่งจิตให้กำเริบไม่ได้อีกได้ในคาถาว่าอากุปังสัม บ, บรรมเมสุยะยะธรรมมาประเวทสั้นโตเมื่อสังขารปรุงแต่งจิตใจไม่ได้แล้วก็ไม่กำเริบรู้เท่าธรรมทั้งปวงสั้นโตก็เป็นผู้สงบประงับถึงซึ่งวิมุตติธรรมด้วยประการชนิสัตติมเทศานานี้ เป็นคาสำคัญแท้ทําให้ผู้พิจารณารู้แจ้งถึงที่สุดพระองค์จึงได้ปิดพระโอษฐ์แต่เพียงนี้พระธรรมเทศนาในสามการนี้ย่อมมีความสําคัญเหนือความสําคัญในทุกๆ ก, การประมะเทศนาก็เล่งถึงวิมุตติธรรมมัชฌิมเทศนาก็เล่งถึงวิมุตติธรรมปัติมเทศนาก็เล่งถึงวิมุตติธรรมรวมทั้งสามการแล้วล้วนแต่เล็งถึง วิมุตติธรรมทั้งสิ้นด้วยประการชนีพระอรหันตุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงฤิเทวะธรรมเมสยังอภิญยาสัจจิกตวาอุบสัมปัชฉวิหารติพระบาลีนี้แสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดย่อมบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติ ที่ปราศจากอาสวะในปัจจุบันหาได้แบ่งแยกไว้ว่าประเภทนั้นบรรลุแต่เจโตวิมุตตหรือปัญญาวิมุตต์ไม่ที่เกจิอาจารย์แต่งอธิบายไว้ว่าเจโตวิมุตตเป็นของพระอรหันต์ผู้ได้สมาธิมาก่อนส่วนปัญญาวิมุตตเป็นของพระอรหันต์สุขะวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆ น, นั้นย่อมขัดแย้งต่อมักมักประกอบด้วยองแปด มีทั้งสัมมาทิฏฐิทั้งสัมมาส ม, มาธิผู้จะบรรลุวิมุตติธรรมจําต้องบําเพ็ญมรรคแปดบริบูรณ์มิฉะนั้นก็บรรลุวิมุตติธรรมไม่ได้ไตรสิกขาก็มีทั้งสมาธิทั้งปัญญาอันผู้จะได้อาสวัขยะายานจําต้องบําเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ทั้งสามส่วนฉะนั้นจึงว่าพระอรหันตุทุกประเภทต้องบรรลุทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ ด้วยประการเชนี้